More about life in the world unseen ซึ่งหนังสือนี้อาจารย์สิริพุทธสุขได้แปลจากฉบับภาษาอังกฤษซึ่งเป็นการบรรยายถึงเรื่องราวต่างๆของบุคคลที่ตายไปแล้วโดยผู้บรรยายคือมิสเตอร์แอนโทนีบอร์เจียได้จดบันทึกจากคำบอกเล่าของท่านโรเบิร์ตฮิวเบนสันเพื่อนของท่านซึ่งได้ตายไปหลายปีมาแล้วซึ่งในการพิมพ์หนังสือนี้น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 คำพูดประโยคนี้สำคัญมากเพราะถ้าเข้าใจพุทธพจน์อันนี้อย่างลึกซึ้งเราก็จะเข้าใจได้ไม่ยากเลยว่าทำไมพวกโอปปปฏิกะทั้งหลายจึงมีความเป็นอยู่อย่างนั้นทุกอย่างสาเร็จมาแต่ใจพุทธพจน์อันนี้เราจะเห็นได้ชัดในโลกของโอปปปฏิกะแต่ในโลกของมนุษย์เราที่จริงก็เห็นได้ชัด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 ความรู้หรือความจริงที่อยู่นอกเหนือจากประสาทสัมผัสนั้นยังมีอยู่อีกมากมายเพราะฉะนั้นถ้าหากเราไปปักใจเชื่อทฤษฎีหรือกฎเกณฑ์ต่างๆเท่าที่ประสาทของเราจะพึงบอกให้แล้วความรู้ข้องคนเราก็แคบมากและนั่นไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะก่อให้เกิดการเข้าใจผิดอย่างมากมายสักเพียงไรเราไม่ค่อยจะรู้สึกกันในเรื่องนี้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 เขาก็จําเป็นจะต้องมาบอกตามที่เป็นจริงแม้ว่าคำบอกเล่านี้จะขัดแย้งกับหลักในทางคริสต์ศาสนาก็ตามอันนี้ผู้อ่านก็ควรจะถือเป็นข้อสังเกตไว้ด้วยและอีกอย่างหนึ่งอาจจะมีบางคนคิดว่าในอนโตนีบอร์เจียเป็นคนที่ได้เคยเรียนทางพระพุทธศาสนามาแล้วเขาได้เขียนเรื่องนี้มาจากจินตนาการ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 แล้วได้สอบถามเข้าดูก็ปรากฏว่าโอปปปติกะทั้งหลายที่มีกล่าวอ้างไว้ในหนังสือโลกทิพนั้นมีตัวจริงอยู่ทั้งสิน้นเนื่องจากข้าพเจ้ามีทางที่จะทดสอบได้และอีกประการหนึ่งข้าพเจ้าเข้าใจเรื่องวิญญาณเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงเชื่อสนิทว่าสภาพแห่งโลกทิพดยหลักใหญ่ก็เป็นเหมือนกับที่ในหนังสือโลกทิพได้กล่าวไว้ แต่ทั้งนี้ท่านผู้อ่านจะต้องไม่ลืมว่าข้าพเจ้าไม่ได้มีความเห็นพ้องต้องกันหมดทุกอย่างกับความคิดเห็นของท่านโรเบิร์ตฮิวเวนสันและของโอปปอปติกาอื่นๆที่กล่าวไว้ในหนังสือเล่มนี้ทางนี้พระตัวละครที่มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้แต่ละคนยังไม่ใช่เป็นผู้รู้แจ้งในเรื่องของตัวเองโดยตลอดยังมีความเข้าใจผิดอีกหลายอย่าง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 และเข้าใจว่าตนเองและใครๆก็ตามที่อยู่ในโลกของโอปปัติกะแล้วจะไม่มีการตายอีกจะไม่มีการพลาดพลาจากกันอีกนี่คือความเข้าใจผิดของท่านโรเบิร์ตฮิวเบนสันแต่ความเข้าใจผิดในธรรมนองนี้ก็ได้มีกล่าวไว้ในคำพีพุทธศาสนาเหมือนกันและพระพุทธเจ้าก็ได้เคยเสด็จไปแก้ความเข้าใจผิดให้กับพวกโอปปัสิกะมาแล้วไม่น้อย รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้จะหาอ่านได้จากเรื่องพรหมชารสูตรในพระไตรปิฎกเล่มที่เกเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ถือความบกพร่องในทํานองนี้มาเป็นข้ออ้างว่าเรื่องโลกทิพย์เป็นเรื่องนิยายไม่ใช่เรื่องจริงหนังสือโลกทิพย์ภาคสองซึ่งอาจารย์สิริพุทธสุขเป็นผู้แปลนี้เป็นหนังสือที่มีคุณค่าสูงมากทั้งนี้ก็โดยเหตุสองประการคือ 1. นเนื้อเรื่องในต้นฉบับเดิมคือฉบับภาษาอังกฤษเป็นหนังสือมีคุณค่าอยู่แล้ว 2. ผู้แปลเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษในสภ า, าการศึกษามหามากุฏรราชวิทยาลายัยซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยทางพุทธศาสนาและเป็นมนาธีการหนังสือวรารสารพุทธศาสนกสัมพันธ์แห่งโลกภาษาอังกฤษชื่อ The World Fellowship of Buddhist News Bulletin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 รู้สึกว่าแม้แต่คนที่รู้ภาษาอังกฤษดีซึ่งถ้าหากท่านไม่เข้าใจเรื่องโลกทิพย์อยู่บ้างแล้วก็ยากที่จะถอดความหมายออกมาได้อย่างไพเราะเช่นนั้นเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอชมเชยอาจารย์สิริพุทธสุขด้วยความจริงใจอันหนึ่งข้าพเจ้าในฐานะเป็นผู้ก่อตั้งสำนักคนคว้าทางวิญญาณขอขอบคุณอาจารย์สิริพุทธสุขไว้หน้าที่นี้ด้วย ที่ได้มอบิกษทเิ์ฉบับที่แปลออกมานี้ให้กับสำนักค้นคว้าทางวิญญาณท้งนี้ด้วยเจตนาที่เป็นกุศลเพื่อจะให้เรื่องโลกทิพย์แพร่หลายไปยังหมู่ประชาชนอย่างกว้างขวางเท่าที่สามารถจะเป็นไปได้และอีกอย่างหนึ่งอาจารย์ศริมีความคิดเห็นว่าเรื่องราวต่างๆในโลกทิพย์นั้นมีปัญหามากมายที่ทาให้ไม่น่าเชื่อ